ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจเป็นพร้อมๆกันนะอย่างเช่นก็พบว่าอาหารที่ทั่วโลกผลิตได้เนี่ยจำนวนถึงหนึ่งในสามเนี่ยมันถูกทิ้งให้สูญเปล่าไร้ประโยชน์หรือเน่าเสียหนึ่งในสามนี่ก็คือหนึ่งันรล้านตันมันมากแค่ไหนนะมันมากขนาดเลี้ยงคนได้ถึง3 0 0พันล้านคนนะเกือบครึ่งโลกนะแต่ว่า มีคนหลายร้อยล้านคนเนี่ยขาดอาหารนะขาดอาหารตายไปก็เยอะเพียงเพราะว่าไม่มีอาหารกินอันนี้มันก็น่าน่าเศร้านะว่าในขณะที่มีคนหลายร้อยล้านนะขาดอาหารแล้วก็เป็นล้านนี่ตายแต่ว่าอาหารจำนวนมากนะหนึ่งในสามของโลกนี่มันถูกปล่อยทิ้งเอาไวใ้ให้สูญเปล่า กลายเป็นขยะนะโดยเฉพาะในแถวแถวบ้านเรานะ เ, รเนี่ยเาเรียกว่าเอเชียคเนเนี่ยข้าวที่ปลูกกันเนี่ยี่สิบนถะึงปดิเปซนตะมันถูกปล่อยให้เน่าเสียอันนี้ก็คงจะรวมทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวสุกด้วยนะโอ้เยอะมากเลย4ี่สิถึงปดเปอร์ซ ริงถ้าเป็นประเทศอย่างในอเมริกานะประเทศที่ร่ำรวยก็ เ, เพราะว่าอาหารที่ผลิตได้เนี่ยใช้จริงๆนะคือบริโภคอะแค่ 40% ปอร์ซอีก 50% เปซนี่ยนะถูกทิ้งเปล่าๆนี่เขาคำนวณละเอียดนะตั้งแต่ว่าตั้งแต่ในไรนาปลูกอะไรก็ตามเนี่ยในไรในานานี่นะ ยิบปรเตเนี่ยมันตกหล่นเลี่ยนลาดเพราะว่าไม่ได้ขนาดบ้างโตไม่ได้ขนาดบ้างนะไม่สวยบ้างเขาก็ทิ้งเอาไว้ในไร่ทิ้งเอาไว้ในนาถึงย0สบเอร์ซนบางทีก็ตอนที่ขนนะขนขึ้นรถก็ขนไม่หมดนะตกหล่นระหว่างทางพอไปถึงโรงงานนะมันก็หมดไปอีก เพราะว่าเวลาบรรจุหีบห่อเนี่ยอันไหนไม่สวยก็ทิ้งนะหรือว่าบางทีมันก็เน่านะเน่าเสียในโรงงานนั่นแหละอันนี้ก็อาจจะลวมถึงลงสีด้วยพอขนมาที่ร้านนะเพื่อจะขายจะเป็นร้านขายส่งร้านขายปลีกก็ตกหล่นสูญหายไปอีกนะบางทีร้านเขาก็ขายไม่ออกเขาก็เอาเอาไปทิ้งมีเยอะ ตอนนี้มันก็มาในรูปของขนมแล้วขนมปังบ้างอาหารบ้างที่ปรุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เห็นนะในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งในเมืองใหญ่เนี่ยอาหารที่มันปรุงเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเพราะไม่มีคนซื้อหรือว่ามันหมดอายุนะพอถึงบ้านเรือนนะคนซื้อของมาเข้าตู้เย็นแล้วก็ปรุงอาหาร บางทีอยู่ในตู้เย็นจนเน่านะก็ทิ้งปรุงอาหารเสร็จปรุงเยอะไปกินไม่หมดก็ทิ้งนะอันนี้อีกเซ็น์นะโอ้เยอะมากเลยนะเฉพาะต้นทางกับปลายทางเนี่ยนะอาหารสูญเปล่าไปจุดละยอก็4ี่อร์เซเข้าไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่นะคนไม่ค่อยรู้กันนะว่าอาหารนี่มันถูกทิ้งสูญเปล่าเน่าเสียเนี่ยไปมากมายเท่าไหร่ ที่วัดเราก็เหมือนกันนะไม่ต้องดูอื่นไกลที่วัดเราอาหารที่ซื้อเอาไว้จากตลาดบางทีไม่ทันได้ปรุงเลยมันก็เสียแล้วนะปรุงเสร็จเอามาถวายพระให้ญาติโยมญาติโยมตักตักเกินไปมั่งกินไม่หมดก็ทิ้งและตักไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนกลางที่เหลือ กินไม่หมดไม่มีใครตักนะก็ทิ้งนะอาจจะมีคนตักไปาไปบ้างอาจจะมีคนเอาไปเลี้ยงหมาบ้างนะแต่เฉพาะวัดเราเนี่ยนะก็อาหารที่มันสูญ์ป่าไปก็ไม่น้อยนะถึงแม้ว่ามันจะยังน้อยกว่าที่เกิดขึ้นนะในเมืองนะตามห้างสรรพสินค้าในบ้านเรือน แล้วอันที่ทิ้งนี่มันก็ไม่ได้ไปไหนนะมันก็กลายเป็นขยะแล้วก็เกิดมลภาวะนะแทนที่มันจะกลายเป็นอาหารนะที่เลี้ยงดูชีวิตผู้คนนะมันกลายเป็นมลภาวะทำให้น้ำเน่าเสียนะบางทีก็ทำให้ดินเสียด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้กันนะเพราะนั้นเวลาเราจะ ตักอาหารนะหรือแม้แต่จะซื้ออาหารเนี่ยจะซื้อสำเร็จรูปหรือว่าจะซื้อมาปรุงก็ตามเนี่ยก็ให้พิจารณานะว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านะถ้าขาดไม่เป็นไรวก็ยังไปซื้อเพิ่มได้แต่พอมันเกินแล้วเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นขยะให้เวลาเรากินอาหารเนี่ยนอกจากพิจารณาอาหารว่าอาหารเนี่ยที่เราตัก หรือที่เรากินเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายแค่ไหนเรากินเพื่ออะไรแล้วเนี่ยก็ต้องให้รู้จักประมาณด้วยนะตักพอประมาณนะทำพอประมาณคนทําก็ทําพอประมาณกัดให้ดีคนตักก็ตักพอประมาณกินไม่ให้เหลือสมัยนี้การกินอาหารเหลือทิ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่จริง พฤติกรรมแบบนี้นี่มันเพิ่งมีมาในระยะหลังนะไม่เกิน 40-50 ปีมาเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยนะพอสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะถูกสอนว่ากินข้าวก็ให้เกลี้ยงจานนะอย่าให้เหลือแม้กระทั่งข้าวเม็ดเดียว ต, ตอนเด็กๆอัตมาก็ได้รับการบอกเล่าการสั่งสอนแบบนั้นกินข้าวต้องกินให้หมดนะอย่าให้เหลือ พอพอะไรพระสมัยก่อนนี่การปลูกข้าวนี่มันเป็นเรื่องยากมากนะและสมัยก่อนเนี่ยคนกินก็คือคนปลูกนั่นแหละข้าวนี่ไม่ได้ซื้อเอานะแต่ปลูกเองแล้วพ่อแม่ก็รู้ว่ารู้ด้วยตัวเองว่าการปลูกข้าวนี่มันยากนะกว่าจะได้ข้าวแต่และเม็ดนี่มันยากเพราะนั้นก็บอกให้ลูกเนี่ยกินข้าวกินให้หมดนะอย่าให้เหลือน้ำก็เหมือนกันนะ น้ำก็กินให้มันหมดแก้วนะสมัยก่อนนี่น้ํายังเป็นน้ําฟรีด้วยซ้ําคือ น, น้ําฝนอาจารย์พุทธาท่า น, นเวลาสอนพระนี่ก็สอนพระเวลาตักน้ําเนี่ยนะเวลาลินน้ําใส่แก้วเนี่ยอย่าให้ลินเต็มแก้วนะให้ลินพอกินเดี๋ยวนี้เวลาเร า, เราลินน้ําใส่แก้วนี่บางทีลินจนเต็มเลยเสร็จแล้วก็ทิ้งกินไม่หมดแล้วเดี๋ยวนี้น้ําเนี่ยมันเป็นเงินทั้งนั้นแหละนะเพราะว่า ต้องซื้อมานะสมัยก่อนนี่ขนาดน้ำมาจากฟ้านี่ชาวบ้านนะก็ยังรู้จักประหยัดนะรินน้ำพอกินมันก็ไม่เหลือเต่ในนี้เราเราไม่ว่าจะรินน้ำเราจะตักอาหารมันเหลือกินทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันราคาถูกอาหารราคาถูกหาง่ายสมัยก่อนเนี่ย มันต้องใช้น้ำพักน้ำแรงเนี่ยปลูกข้าวนะปลูกพืชผลคนเดียวนี้ไม่ได้ปลูกข้าวเองก็ไม่รู้สึกว่าข้าวนี่มันอ่ามันได้มันได้ความเหนื่อยยากอย่างไรบ้างหลายคนเด็กวัยรุ่นหรือแม้แตเด็กๆเนี่ยข้าวที่ตัวเองรู้จักเนี่ยก็เห็นแต่ในร้านนะอาหารมาจากไหนเด็กก็จะตอบว่าอาหารมาจากเซเว่นนะเด็กก็ไปสามารถจะมองไกลไปถึงไร่นานะแม้กระทั่งถึงอ่า ครัวที่ก็ปรุงอาหารได้ซ้ำนะยุคนี้มันเป็นยุคที่เขาเรียกว่าบริโภคนิยมนะเพิ่งมีมาไม่นานม่นี้เองนะหมายความว่าเป็นยุคที่มีของกินล้นเหลือนะแล้วก็เพราะมันราคาถูกผลิตง่ายใช้กระบวนการอุตสาหกรรมเราก็เลยเกินกันอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่สนใจว่าไอ้ที่ตักมาหรือที่ซื้อมานี่จกินหมดหรือเปล่า นะกินไม่หมดก็ทิ้งแค่นั้นเองไม่เห็นมันจะต้องมาเสียตรงเสียดายอเลยเลยนะไอความรู้สึกหรือความคิดแบบนี้มันเป็นของใหม่นะมนุษยาชาติตั้งแต่ในตะไยมาจนกระทั่งถึงเมื่อสี่0ห้าสิปีมาเนี้ยอาหารเนี่เป็นของหา ย, ยากน ะ, ะยกเว้นว่าถ้าอยู่ในบางถิน่นบางประเทศอย่างเช่นเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยนะปลานี่หาง่ายหน่อยนะจับปลานี่เป็นเรื่องง่ายนะ แต่อย่างอื่นที่ต้องใช้เรียรนะเรเร่ยวใช้แรงนะปลูกข้าวก็ใช้เรี่ยวใช้แรงนะเป็นเดือนเพดืนพะนั้นคนสมัยก่อนนี่ก็จะมีความประหยัดแต่คนสมัยนี้คำว่าประหยัดนี่ถูกลืมทิ้งไปแล้วเพราะว่าของมันมีมากล้นล้นเหลือนะแต่ขณะที่ของมีมากมายนะทรัพยากรธรรมชาติมันกลับหดหายป่าก็เหลือน้อยลงนะสิงสารสัตว์ นะั่นในธรรมชาติก็เหลือน้อยลงปลาในท้องทะเลก็เหลือน้อยลงปุ๋ยในผื้นดินก็น้อยลงดูมันขัดแย้งกันนะอาหารล้นเหลือในตลาดในครัวในตู้เย็นแต่ในธรรมชาตินี่อาหารมันถดหายไปเรื่อยๆคนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานะนักปฏิบัติธรรมก็ควรต้องตระหนักรู้ด้วย ควมว่าตระหนักรู้หรือว่าความรู้ตัวความตื่นรู้เนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะรู้เรื่องกายเรื่องใจอันนั้นดีแล้วแต่ควรจะขยายความรับรู้ความตื่นตัวของเราให้ครอบคุมไปถึงสิ่งรอบตัวด้วยว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะบางทีเราไม่รับรู้เรื่องโลกภายนอกนะยังใช้ชีตาปกติอันนี้ก็อจะเป็นความหลงแบบหนึ่งได้ นะอย่างเช่นป่าถูกทำลายไปเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่รับรู้อะไรไม่รู้สึกรู้ษาก็ยังปฏิบัติตัวหรือปฏิบัติธรรมอยู่แต่ในวัดไม่รับรู้อะไรไม่สนใจไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นความหลงอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเออรับรู้เรื่องโลกภายนอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะเดีย๋ยวนี้มลภาวะเกิดขึ้นมากมายทรัพยากรก็ ธรรมชาติก็เหลือน้อยลงป่าถูกทำลายมาเยอะอ่ะเราก็ต้องรู้จักขนขวายบ้างนอกจากการปฏิบัติธรรมเก็บตัวอยู่ในกุติแล้วก็ต้องออกมารับผิดชอบต่อโลกมาปลูกต้นไม้มาทําให้โลกมันดีขึ้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นความตื่นรู้นะรู้ทั้งตัวเองแล้วก็รู้ทั้งโลกภายนอกหรืออย่างตอนนี้เรารู้ว่าตอนตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติมันเหลือน้อยลงก็ต้องรู้จั ก, จกประหยัดนะ น้ำที่เราบริโภคเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ของฟรีแล้วนะต้องซื้อมาก็ยิ่งต้องประหยัดเข้าไปใหญ่เวลาเติมน้ำเวลาลินน้ำเนี่ยลองสังเกตดูนะมันเหลือทิ้งไหมลินน้ำแต่พอกินนะข้าวก็ตักแต่พอกันนะแล้วก็ร่วมกันช่วยกันรักษาอนุรักษ์นะทรัพยากรเอาไว้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะ ซึ่งมันต้เกิดจากความตื่นรู้โลกภายนอกด้วยนะจะเก็บตัวอยู่แต่ในกุฏิในวัดเนี่ยนะมันไม่พอแล้วนะต้องรู้ว่าโลกความความเป็นไปของโลกเป็นยังไงเราจะได้เกี่ยวข้องกับโลกได้ถูกต้องนะทั้งในทางที่ลดปัญหาไม่ให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นรอบตัวแล้วก็เตรียมรับพร